พระวินัยปิฎกมหาวิพังภาคสองบรรยายโดยพระครูปลัดปราโมทสิริเตโชขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. นิสกียบกันท่านทั้งหลายทมคือนิสกี้ปาจิตี30มิสิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระ ที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับหนึ่งจีวรวัาหมวดว่าด้วยจีวรหนึ่งปฐมกทถินสิกขาบทว่าด้วยกทถินดอข้อที่หนึ่งเรื่องพระชภคีศรีร5 9ห้สสหส สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะโคตมะกะเจดีเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตไตรจีวรเพื่อภิกษุทั้งหลายแล้วพวกภิกษุชาวพิคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแล้วจึงเข้าหมู่บ้านโดยครองไตรจีวรหนึ่งไตรอยู่ในอารามอีกหนึ่งไตร ส่งน้ำอีกหนึ่งไตรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาพากันตําหนิประนามพลทนาว่าชะนพวกภิกษุชาวพคีจึงทรงอัติเรกจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกลาวทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ